ยังหลัาการแนะนำการเจริญญาติมาทานวันนี้แต่เมื่อขอจใหญาณสงขันและแนะนาบรรดาท่านหลายคนได้ถือว่าคาสอนคราวนี้เป็นคำในระยะต่อไปนี้เป็นคาสอนมาพฐานประจันสานึกเป็นการสอนประจํนกำลังสำนึกของเราและได้เป็นถู้เป็นการมาพันธันในการปฏิบัติ ในวันแรกนี้ก็เลขอเระธรรมอันหนึ่งที่เอาสำเร็จมาใส่หม้อเข้าไจสังกัดว่าบุคคลใดปฏิบัติได้ครบควนท่านคนนั้นจะเข้าถึางความเป็นผูส้สาเร็จทุกอย่างตามที่เป็นประสงค์ทางทางโลกและทางธรรมแต่วันนี้ในที่นี้เราพูดเป็นเฉพาะธรรม เลื่อของโลกไม่เก so ี่ยวโลกจะดีโลกจะช่วยอย่างไรไม่มีความสำคัญแ้่คาว่าดีของโลกไม่มีโลกมีแต่ลมันดีก็ดีแบบหลอกๆโลกท่านแปลว่ามีอันเียต้องสิอยไปจัตุนมีจงจะถือว่าเป็นคำยาก บริษัทปกติเขาไม่่อยไปศาสนาไม่ใช่เขา อ, อยากไม่ใช่เขาเลยไม่มีความนมตตาเมีย์ยังมีคำสอลในที่นี้เขาไม่ได้แก้ปเรียกว่องอิธิบาตรไม่มีศีเลเยการอิธิบาตรแปลว่าเราที่มาทรที่ทำในสิ่งความโดยสงคทุกอย่างแต่ไม่จะทำดุพันธ อย่าถือว่าไม่ไหวนะคว่าไม่ไหวคาว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีกศรพระพองคต้องมนมาสพระเจและแต่ทาไม่ไหวจริงๆแล้วตายไปอยู่ที่ไหนก็ตายที่ไม่ไม่ต้องการคำว่าไม่ไหวเพื่อคนใดคนหนึ่ง เพราะว่าคนในสมณะเราไี่ยังปากเสียใจเสียอยู OVER ่ในเลกกสินะถ้าไม่เลกในชาที่มีก็ไม่ไหวนี่กันรับได้ไม่ไหวไรกันย่าให้มันมีอยู่มันอยู่ในสมณะขสมณะเราต้สงบจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกมันนั่งอยู่ทาไม ไปดิวิ่งเสือกหมดเงี้ยหมดราใจแี่ไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอถ้ามีอรมใจไม่ดีพอมีนก็เลยทางคนอื่นเขาเสียด้วยฉันปฏิทินวันศุกร์มีอย่างนี้นึ่งชนพระความพอใจเพื่อพอใจในการปฏิบัติความดี สองวิทยะมีความเพียรสองจิตตามีใจจดจ่ออยู่ในสิ่นัน้นสี่มังสาใช้ปัญญาควบคุมอยู่เสมอหม้ความไหวใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลานี่ว่าปัญญาในที่นี ต้องใช้แค่ควนเป็นควรนั่งอยู่เสมอที่เรียกว่าสัมนาทิฏิแม้ในอิทธิบาทสี่ก็มีนึ่งชั้นพระพอใจอะไรใจเราเบื่อมาเพื่ออะไรแม้เขาจะอยู่ในเขตตัวเขาเป็นศาสนาเพื่ออะไรความก็จะขอรันแค่คำการขอธรรมชาอาสมัยก่อ เอาสมัยใหม่เนี่ผมไม่คนใหญ่จะคดมักอะไรอมันใหม่กูหมดกินท่นไม่ชอบของหมราคาถูกขอเก่าราคาแพงอย่างพระพุทธรูปของเ่ราคาแพงของใหม่มากมีการคำขอไำเพชายกัไม่การขอเก่าราคาแพงของใหม่ มีจุดหนึ่นนงที่เรากล่าวว่านิพพานาสะสกิริยายะเอตังกาสาบังไรตั ว, วแปลเป็นโดยความว่าเขาจะาร้างข้ากาสาัพเจริญธรรมและเจริญสัมพันธ์นนนนนมีรา้ขอบำเรียชามาและมีความเมืองหมายอย่างนี้เวลานม้ถึงแล้วก็จะเปลี่ยนไปบ้าง ตปก็จะมีแค่คำว่าต้องการพลิตภร์อยู่เหมือนกันนี่เป็นอนุญาตคำปฏิญาณของเราที่เราจะดูดเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอนุญ า, าต้องการพลิตภัณฑ์เมืม่อเราต้องการผลิพภัณ์แล้วเวลาเราพอใจเราจะพอใจอะไรสันภาความพอใจ เราก็ต้องพอใจในผลยตภัณฑ์นีการเรียกพอใจในผลิมภพอเนี่ยเายังไงจันทร์ถึงถึงผลิตภแต่ไม่ใจเราก็ไปดูทมแสงเงาสังเสมอสักพักหนึ่แล้พ่เจ้วบอกคนเรียเขาถึงไม่ตภัณได้นีมก็ต้องกดยากกดงสงการที่จะกุสนที่ให้หมด แม้จะหนึ่งตัดหน่งพักความเมื่อออกจากจิตแม้หนึ่งดยการให้ทานสองขุดความเกิดความเพียรบใจร่างแจฝันออกจากจิตทังหมดแม้ใช้กายสองตัวมีแห่งส สารไปตามหลวงเอกสหมดเดือนหน้าท <ri> ั้งวัยาที่พี Inf ่ารณาของร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เท่ไรเรามีในกายและกายไม่มีในเราเมื่อสกเรื่ระดูกว่าเรก็พอใจในอรียสกซีม่อสภาว่าของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ โอเคยุ่งากชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เจริญทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์แม่นำในทุกข์ขาคตายเป็นทุกข์เพื่อตอบในทุกวัทุกข์กับมิตาเศร้าโศกใจเป็นทุกข์และความัดจของแใจเป็นทุกข์ ความจริงเขาไม่เห็นพวกคุณหลายสิบคนแต่ว so the ouais so the yeah ่าทํานมหลายปีท่านฟังเนี่ยเป็นหูสุต้งรู้ใจแมกจาไม่ได้ไหมเขาก็นำไปคิดนำไปพีจารณาตั้งรู้ใจเป็นได้หูสูดแล้วก็เป็นได้หูรูคถ้าเป็นได้หูโรคกูก็จาอะไรไม่ได้โรคปิดเข้าไว้โรคกลางให้ไหลออก เทีนท so so so ี่ยังให้เข้าลูกปิดใช่ก่อนมันก็ไม่เข้าเธอไม่เข้ามาแล้วลูกก็กว้างี่อออกนก็ไม่ไม่ไมมีอะไรกันนี่ถ้าเป็นเพื่อสุจริงตั้งใจจริงเพื่อความดีเราก็ต้องจำกันได้เป็นของไม่ยากไม่ได้ใช้เป็นยาที่เป็นงานอูสิมวอะไรที่มันเป็น ความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่ารขณะที่เราไเกิดเราอาจจะไม่รู้ขณะที่นอนอในท้องแม่ท้งพ้อรอาจจะไม่รู้แต่ความจมันทุกข์ไม่ได้ท้องแม่ตอนนั่งทำแม่จึงขอนร้อนจัดร้เนิดือดร้อเป็นทุกข์จึงคอเกิดจัดเบี้ยวจัดจัดเดือดร้อนเป็นทุกข์ แมうう่ใช้กำลังกายขึ้่นไหวมากเกินไปเป็นทุกข์อยู่ข้างในหนึ่งเลยทุ่งใอยู่มาแม่ดูแลแรงนี่แรงแรงนี่มัก็เป็นทุกข์แต่มาไม่ร่างกายโตขึ้นมาไม่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วเหยียดขาเหยียดแท้งเหยียดขาไม่ไมากคุกคุยอยู่ในท้องแม่เป็นทุกข์ แม่จะแม่จะแม่กจะปวดก็ปวดก็เียดได้ก็เป็นทุกข์ถ้าแม่ท้อใจว่ามันเป็ทุกข์เล่นเล่เล่นเล่กอดเข่านก็โกนสามชงแคนนี้อยู่ในท้งแม่ทุกข์ข้อเข่ายันสมองอกอาแขนลัสนไว้ยาไม่ยอมแม่ที่จะมาดูแลอยู่ในท้งแม่เป็นเดือนเดือนแบบนี้มันจะทุกข์ขนาดไหน เราจะมีผู้เคยทัณฑใดๆท่านผู้เป็นแม่สมัยสาตว์เล็กที่ตกตายในท้องสังมบในทุนแม่มันดาดีดามองไม่เห็นทุกของลูกใอรเลยก็จะมีลูกใครท่าเจ็บอะไรบ้างมีขณะที่เกิดมันเท่าไหรมันไมทุกข์มองไม่เห็นออกมาจะคันมนดาขมวดทีเลยคันมนดามันมันจะทุกข์ ออกมาแล้วยิ่งคามมันราและความอบอุ่นจากไฟธาตุขอร่ากายมันด า, าอดาาดาอกม า, า, า, า, า, ากระทบกับอากาศเป็นหนคือการสอดตัวเสียแรงยากรงกดนั่นแสดงว่ามันทุกข์หนักเกิดแสบทั้งตัวนั่นถึงนนนนมนทุกข์พอออกมาเป็นเด็กขี้เปนวันเยี่ยวตัวนลม มันเละทะไปหมดเด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดาใ้ตายสุกระบวกโซคโยนนั้นมันทำหน้าไหวจะไม่รอบออกมาตันแดงข้งความทุกข์แต่จะหยิ่งหอนต้องการอยากลหันแม่ก็ยังไม่รู้จะต้องรอดออกมาแล้วขึ้นยังไรหิวมันหิวจนทำหน้าไหวจนได้รอดนี่มันก็แบกการของความทุกข์เมื่องความรักิดเป็นทุกข์ แม้กระทั่งแมลงหาอะไรเป็นส ins ุขเมื่อใดแม้เงสั่งซั่งก็ไม่ความหิวความกระหายทุกวันไม่เป็นสุขก็เป็นทุกข์ความปวดท้องมื่สั่นใจทุกวันี้แยกว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์บางครั้งมีความปรถน้อยในสมองและมีความสุขและความทุกข์แต่กามปวดอุจจาระปวเสียระมันสุขและนทุกข์ จะทุกข aja, <oda> ์ถ <t oda> ้ามันจะตายขึ้นมาละก็สุขขึ้นมาทุกข์มีคนแล่งคิดเอารับือรือความเจริงใช้ปัญญาเล็กเดียวนี่มันก็เห็นแม่ทุกข์แต่คนมีตาใจจะพูดหูกระพาเท่านั้นเป็นโก็หูรู้ไม่ใช่ความสุขความเศร้าความสุขแล้วก็เขารู้ทุกข์กันนานแล้ว นี่แม่ทุกเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้จะว่างพันาเวลานี้มันหมดเป็นเกินเวลาและก็ไม่มีความจำเป็นทุกคนมันมีทุกอยู่แล้วถ้าใช้ปัญญานิดเดียวก็มองเห็นนี่กะเป็นแม่ทุกเมมันมาจากไหนนี่เราพอใจมองความทุกข์สัมภะทุกเมื่อก็มาจากความอยากที่เรียกกันว่าตัณหาอยากก็ไดอยากก็ได เลยขึ้นในเพศตรงกันท้ามยาตัวไวอยาตัวลดยากลัวนั่งจนเข้ากลัวนี่จนเข้ากลันั่นมันทุกอย่างทุกทุกส่วนทุกอย่างจนเข้ากลัวไปหมดมีอาศัยความอยากที่กล่าวมานี้แล้วมันเป็นปัจจให้เกิดเพราะว่าเยองติดความอยากอยู่เพียงไรเราก็ต้องเกิดมหาความทุกข์ ยังไงเรามีความอยากอยู่มันทุกข์เรายังขึ้อยากต่อไปแล้วก็หาความสุขไม่ได้ตอนนี้ทนายก็หาทางทําลายความทุกข์ทำลายเพียงความทุกข์คือความอยากอันหนึ่งอยากรักเราทำลายยากเหลือเกิดอยากรวย มันอยากมาสมมาแล้วทำลายยากมันอยากกลดอยากเพลียหลัดไม่ทำลายยากอยากลว่าน้องเป็นแค่เราหรือไม่เป็ไแค่เราทำลายยากทาไมจะทำยากเพราะมันติดใจมานานแล้วแต่เฉพาะอย่างเร่องาทเกิดขึ้นม า, า, า, านแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันสำคัญนะ แสดงให้ลูกหลาน้ไหลสร้างความทุกขตลอดเวลาตองนี้เพ่อะไรก็พว่าถลูกเป็นหนึ่งเป็นสาก็เมดียาจะหาผู้ครองให้ลูกมันจะได้เป็นฝั่งเป็นสามม้นแตไปเองว่าการมีลูกมีหลานมันเลยส่ปทุกข์บโอ้ทุกข์แล้จ้า แล้วมันเด็ดล้อมลูกแต่คนเดียวมันก็จะโตได้ก็เสียเงินเสียทองกระทบกระทั่งการเงินที่มันพอใจบางคนลูกกับตันยูนี่รู้คุณก็เสียอกเสียใจแต่ความทุกอย่างนี้มันมีแต่ตัวและตัวไม่ได้จำแมนลูกสาวลูกชายโตขึ้นอยากจะหาคู่ครองให้ถึงว่ามันก็ได้เป็นฝั่งเป็นฝามันจะได้มีความสุข แล้วตัวเองไปสร้างเพราความทุกข์ของเรแล้วคนอื่นมาก็ะทบ เ, เป็ น, น, นาาปนนระสบเหตุอย่างไรเลยมันเข้ามาจะเป็นความสุขอย่างไรที่ครูใหญ่มันอยู่ใกล้แบบนี้มันละยากใครแบ บ, แ บ, บ, บว่านะ่อกขาแม่นั่นแหละเป็นตัวสาคัญมากไม่มีตัวโลกเมลโทสันเลยเหมือนกันทั้งพ่อทั้งแม่ น, นั่นแหละเป็นครูที่ดีที่สุด ใจไม่เกียรตกาโลกมพอสไม่มีจังหวะทหาจะไม่สมาชีวะพุเจ้าไม่ว่าสาริกโกเ้าบงหายยี่ยงทรัพย์สินเาังหายักย่อเขาบางนี่พระพุทธเจ้าสกันเอเป็นความหนโลกพ่อฉันคงก็อยู่ที่พ่อแม่เลยสันคงก็พ่อดีแม่ดีแล้วลูกมันเสียไม่ได้อ้แม่ดีเสียได้เพราะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีนะ มักเด็กตามใจจนเกินไปลูกแม่ไม่ได้แล้วก็มันนอกจริงๆไม่ความก็ดความทุกข์บาปนี่ก็ไม่ต้องคบค้าสมานพรมกันนานๆผู้ใหญ่ไม่อยากสอนเด็เสมอให้จำไม่ว่าใครก็ทำไม่ถูกใจคิดแย่เลยคิดหักล้างให้ได้นี่ก็อายผู้ใหญ่ไม่ดีสอนให้เด็กเสียนี้เราก็ได้เสียเลยตลอดพันล้อ เมื myself, no no no ่อการจำมันหนักเขาเราหนึ่งเขาเราหนึ่งเขาเรา้งแต่แสนจะแก่หนั้เอยู่นั้เย็นเคยไม่เคยคิดจะตายยังคิดหัใจสองโลกสองหลามมันหนักเขากูวหนึ่งกขากลัวหนึ่งเขากลัวแบบนี้ไม่ใช่หรือแบบตัวอ้จายใจไมู่ีในบ้านที่เราจะมาต่อต้านอารมณ์แบบนี้มันก็หนัดน้อย เราตั <formation> ้งสร้างกันใหม่ฉะนั้นโอ้สมเด็จพระจอมไกรประมาศธตดาฉะนั้นน่ะว่าต้องใช้วิทยาความเพียรอย่างหนักใช่เหตุใช้ผลว่าทำไมหนอเราจะตัดราคาความรักในเทศจะได้ทํอย่างไรหนอเราจึงจะตัดโลภาความมโลกจงได้ทําย่างไรหนอเราจะตัดความโกรธความเจ็บหมายจะได้ ทำอย่างไรหนอเราจะตัดความหลงเส้นได้และตัวทั้งหลายนี่มันเป็นปัจจัยที่เกิดความทุกข์ในอริจสัตว์แต่มาแล้วนั่งพูดกันมาว่าทำคำสองคำโอ้สมเด็จทศเสวัตว่าท่านแนะนำว่าอย่างไรขอการตัดความรักในเพื่อนรัก แต่อเป็นตใช้กายก็ตามนิ้ f f ิ combine, e ี่คุณแม่านก็อาุกขุณฐม่ท่านดีขับระหัตนนั้นเลยเช้าความรักลยเพศนั้นก็สลายตัวเพราะปัญญาไม่กิดรู้ความเป็นจริงตัดความโลภเมเผสงก็ใช้เมตตาคุณาตุวสังารมีการให้ทานเป็นการตัดแบงความโลภออกไป เราจะทำลายความโกรธความยงำแย่คนนั้นน่าตัมมารหางสีเราจะเป็นผู้ไม่ยึดถือเราจะมีเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจต่างความนจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราอันนี้โอซุลจะสัมมาสัมโมติจ่าให้ที่เป็นนาดูร่างกายมันเชื่อบรางไหมเราเลี้ยมันเท่าไหร่แนะนํามันเท่าไหร่นันไม่เคยเชื่อ ที่เต็นนี้จะทําลายมันได้แล้วมันเลยก็มีกําลังต่อต้านมากก็ต้องใช้วิทยาความเพียงค่อยเคาะไเทียงเล็กเคาะไเทียงน้อยไม่ใช่ว่าจะมาทํากันทีเดียวหมดวันนี้ยังไม่เคาะนะเพรวันเริ่มต้นแค่รู้จักใช้ที่บาทสี แต่มาอสัจธระมะวันมีจัดว่าจะให้มีผลจริงๆต้องเอาใจเข้าไปจดจ่อในเรื่องนั้นมาเสมอคือจิตตะเน้นกับที่อดิบายไว้ในเรื่องโมสุตุนิวะคำภาวนาหรือิจารณานี่ยยาปล่ให้ว่างจากอารมณ์ของจิตคืออย่าเจตนว่างถ้าเจตน้ว่างจะพภาะจุดการงานอืงนแล้วก็ภาวนาไว้พิจารณาไว้ มันก็จะทรงอารมณ์อยู่สบายอารมณ์จะทรงอยู่เมื่ออารมณ์ทรงอยู่แล้วการใช้คํภาวนาธรรม้จิตทรงตัวมีสติสมบูรณ์แการใช้พิจารณาป็นปัจิตหรือปัญญาเอตสัมมาการนี้ต้องจิตตั้อใจจดจ่อจ้องคราเสมอย่ามฆ่าดจจิตเมื่ออารมณ์จิตของเราสามารถจะทรงอารมณ์นี้อย่างนี้ได้เป็นปกติ หมายความว่าอารมณ์วางว่างใจการคิดอย่างื่นเมื่อไรคําาวนาเกิดขึ้นกับใจทันทีหรือว่าอารมณ์ที่แจงมาเกิดขึ้นกับใจทันทีทางคทาวบางทีท่านจะบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ไหวแต่ผมก็ต้องตอบว่าไหวมันยากสร้างอารมณ์ให้มันชินภวนาว่ายังไงพิ่แจงมาว่ายังไงไม่ได้จํากัดไว้ ถ้าใจอะไรทำได้หมดเมื่อคราวนี้เราจะสอนมหาปฏิปทานกันตอนเดียบัตินี้เป็นต้นไปจะเริ่มพระมหาปฏิปทานสดแบบพิสดารและก็แยกสอนกันไว้ประเภทเป็นมาตรฐานประจําสํานักต่อไปก็ใช้มหาปฏิปทานสงศ์เป็นปกติในความจีบใจชาวมด ท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสียงควรจะใช้ปฏิบัติาภัยยะคือประสานใบกับเบ้านมีสิบรายการวนปันชาหมดไห้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็สดับประโยชน์อื่นบ้างเพื่อการพัทนกําลังใจพระบรรดาท่านผู้สังได้กําหนดถูกในเมื่อเราใช้จิตใจจดจ่ออยู่อย่างนี้ครับก็จะบอกว่ายากไม่ะตอบก็ไม่ยาก เมีอารมรำชินแล้อารมณ์ขีดมันจะเป็นอารมณ์มัน่นคงเลยครับคราวว่าอารมณ์นิดหนึ่งมันจะจับอารมณ์นั้นขึ้นมาทันทีนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจีนสีก็ใช้วิบงังคาตัวนี้เป็นตัวสําคัญ ก, ก่อนที่จะทําอะไรลงไปก่อนที่พระเจ้าพนนากรที่จะบุญเจรนา ไม่ว่าจใช้ฉันทาความรักความพอใจระยความเพียรจิตใจใจจิตจิตตะอจิตใจประจจจ์ตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพิจารณาวัเสมอว่าสิ่งที่เราจะทำอย่างนี้การพอใจอย่างนี้ ตูองตามบทบัญญัติที่องสมเด็จพระกินาสีบริบาลศาสนาสัมมาสุภเดชเจ้าสนนั้นนำไปรับเรากาถภูมิป่องตามนั้นใช่ได้ถ้าไม่ตรงใช่ไม่ได้เจ๋งได้ยังไงตำรับตำรามีคาสอนมีจะทาเป็นพวกพระอรูปนะจเป็นพระองสดถ้าทาเป็นพระองรูปแล้วก็ เราอาเวทีมาเรากันแน่เพราะอยู่ในเขตปู่เจเนียบุคคลมีเขตปู่เจเนียสถานชาวบ้านชาวเมืองเขาไหว้ชาวบ้านชาวเมืองเขายกมือไหว้เขาโูชาเขาข้าวกินเราไม่ใช่พระว่าธรรมดาต้องทําตัวให้ถูกต้องวันนี้เราจะใช้ความภาคเพียงก็ต้องเพียงให้มันถูกต้อง เตรียมยาไหนจะสังหารอะไรกันแน่คําำสังหารนี่มันจะสังหารคนสังหารจิตหลักแมจับจะเล่นแใจกลางข้อไหนกันแน่แล้วก็รับฟังกันต่อไปถ้าคําสอนนี่มันจะช้าไปแล้วก็เอาแบบฉบับเก่าๆมาเอาที่ฐานลากสุคดีคําสอนมันไปเกรฑ์กาลสารธรรมมันไม่คู่มือก็มาถางก็มีมีอยู่แล้วจำอยบกจำรามีครบถ้วน ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้คำ ว, ว่าไม่รู้ปรเป็นเรื่องปฏิบัติแม้แตก่อนจนใช้จิตแต่ก็ใช้ปัญญาค่ายคนแท้ดีเป็นอันว่าวิมังสาขอ้อนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญที่สุดต้องใช้ประกอบอยู่ตลอดเวลาพยายามค่ายคานจสจอว่าสิ่งที่เราจะควรทำมันจะถูกจะต้องจะผิดเป็นการใด เราจแก้จุดไหน ม, มันจะถูกไหมพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรถ้าแก้แบบนี้องค์สรึดเป็นเดีวสีส่อง แ, และนำร้อเปล่าออมาูกแล้วมันผิดนี่เป็นอนันว่าถ้าพวกเราทั้งหมดมีทุทบาททั้งสี่ประการปฏิบัติควบคุมกำลงังใจไว้ปฏิบัติตั้งทั้งพระวินัยและธรรมะและสมถะวิปัสนา คำว่ายากในการในปฏิบัติทาการปฏิบัติมังก็ไม่มีแต่ว่าที่ทำอะไรกันไม่ได้ดีก็ขาดอิทิบาสีบวเข้ า, ามาแล้วก็เรียกว่าศักระบวชไม่ได้มุ่งความดีในประพุทธศาสนาเป็นอุปสมปะปชีกาบวาชอาศัยในศา ส, สนากินอย่างเดียวเท่านั้น อย่างนี้ก็เป็นเห ย, ยวของอบัยภูมิอร บ, บรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายเรื่องการแนะนํากันในวันนี้เป็นว่าจะเป็นการสําควรก็เวลาต่อจานี้ไปบรรดาท่านหลายจงปฏิบัตธิธรรมตามกํากลังใจที่ท่านตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จิตจงคิดไว้เสมอว่า เรามุ่เป็นพระอริยเจ้ากันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งบวชเพืเปลืองข้าวของสี บ, บ้านอย่างเดียวซึ่งมันไม่เกิประโยชน์พระอริยเจ้าเบื้อต้ดดาานคือพระโสดาบันเรต้องการโดยเฉพาะหนึ่งมรณาลุตติกรมฐา น, าานคิดไว้สองวามเชื่อมั่นในคุณ พ, พระพตนาไตรสรพรมนุตัจ้าวัฒนธรรมระพระอระิยสงฺ ไม่สงสัยในคำสั่งแในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาอาศัมีสิ่งบริสุดธิ์ทีนมีอุบาสกมารุปติประทานเป็นกำลังใจคึ้นึถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์การปฏิบัติของท่านจะนั่งอยู่ท่านไหนก็ได้ตามอัธยาศัยจะยืนก็ได้จะเดินระเบิดจงกรมก็ได้จะนอนก็ได้ เวลาเลิกท่านจะเลิกเวลาไหนก็เป็นไปตามอัิยาสัยของท่านจะไม่กําหนดเวลาให้แล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามตัง้งใจปฏิบัติความดีตามคําแนะนำขององคสมเด็จปัญญาสีโอมัสาชันดาสมาสมุทรเจ้าที่แนะนํามาแล้วนี้จงกว่าจะได้เวลาสมควรของท่านสร